กรุงเทพเป็นที่ที่กรุงธรรมะมีตลอด24ชั่วโมงนั่นเองมี24ชั่วโมงจริงๆแต่ว่าของใครเป็นของใครไม่รู้นะแต่ว่า24ชั่วโมงเลยก็มีพระหลายหลายวัดมาจัดรายการตอนดึกๆนั่นเนะโดยเอาเทพต่งางแบบท่านไม่ได้เทพเองอนะ่ะท่านก็แบบซื้อเวลา3ชั่วโมงเองนะั่นก็หาเทปแล้วก็มีพูดขั้นรายหวังบ้างนิดหน่อยแล้วก็ ออกเทพต่ อ, อยังไงก็มีวัดที่ทำเป็นหลักอยู่หลายวัดด้วยกันมาขึ้นขันทวรวัตรต่อครั้งที่แล้วนะว่าจะให้จบก็เอมีหลายสูตรที่น่าสนใจก็เลยเอาไว้ก่อนในหน้าสามร้อยสี่สิบสองนะ คัดทูรสูตรอีกเหมือนเดิมะสูตรสุนักล่ามโซ่อง้สุกว่าด้วยสุนักในล่ามด้วยโซ่อยู่ในเสาเงี้ทบทวนว่าปุตุชนทั้งหลายเหมือนกับนะสุนั ก, กันนะตัวทิฐิทั้งหลายเหมือนกับโซ่เหมือนกับเชือกอุปาทานขันห้าเหมือนกับเสา กรุงสาวัตถีเนี่ยนะที่เชตวนารามดูกานพิสูน์ทั้งหลายสงสาร น, นี้มีที่สุดเบื้องต้นอันบุคคลตามไปรู้ไม่ได้แล้วเงื่อนต้นแห่งสงสารจะไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อันนี้ก็เพือพูดเน้นอดีตก่อนเป็นอันดับแรกว่าอดีต คำว่าอดีตหมายถึงอดีตชาติเนี่ยนะอดีตชาติที่ผ่านมานี่ไม่มีเบื้องต้นว่ามันมันตั้งแต่เมื่อไรทบทวนคําว่าสังสารสงสารกับสงสารนี่ไม่ใช่สงสารไทยนะสงสารพระไตรปิฎกสงสารตัวนี้หมายถึงอะไรครูประชุ ม, มพบที่ไม่แล้วมีอีกแล้วคนอื่นนะ สงสารคืออะไรสงสารคือขันอายตนะธาตุที่มันไหลสืบเนื่องกันไปคือขัน น, นะถ้ถอาอดีตทั้งหมดมันก็คือขันแต่เป็นขันที่สืบเนื่องกันไปเนี่ยนะสืบจากจุติปฏิสนธินะนะพราจุติก็ปฏิสนธิแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนะ่ยเป็นไปในภพสามกำเนิดสี่คติห้า วิญญาณทิติเจดสัตาวาสเกเป็นการไล่ที่สืบเนื่องกันไม่ถอยหลังเนี่ยไม่มีจบว่ามันตั้งแต่เมื่อไรไอ้ขันห้าอันนี้เนี่ยนะก่อกเนิดมันตั้งแต่เมื่อไรเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่าเริ่มต้นแห่งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่ามันไม่มีเงื่อนต้นไม่มี ไม่มีเงื่อนต้นเลยแลวไม่มีใครตามรู้ด้วยอัจฉริยานิยมใช้คำว่าแม้แต่พุทธญาณไม่กำหนดคำว่าพุทธญาณไม่กำหนดนี่หมายว่ามันมันมันมากเกินกว่าที่จะเอามาพูดเอามาคุยกันเนี่ยนะมากเหลือเกินถ้าเปรียบเทียบอุปมาว่าชีวิตหนึ่งหนึ่งชาติเท่ากับหนึ่งวินาทีเนี่ยนะสมมติเราเปรียบธรรมดาก่อนนนะ หนึ่งชาติเท่ากับหนึ่งวินาทีชีวิตที่ผ่านมากี่วินาทีแล้วนะีนังนี้ก็ขี้เก็บคิดเลยนะมันกี่วินาทีมาแล้วเงี้ยก็ไมาวาดไม่ไหวอะ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันว่าสังสารวัตวัตะเนี่ยมันไม่มีเบื้องต้นเลยว่ามันตั้งแต่เมื่อไร่สําหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเนี่ยเป็นนิวรนนะอวิชชาฐานะนิวณร น, นเครื่องกั้นเนี่ยมาจากนิวณ์ตันหาเป็นสังโยชน์ผูกมัด ร้อยรัดเอาไว้เนี่ยรัดรัดในไหนไรนะในขันน่ะนะมันมัดไม่แน่นแต่ว่ามันแก้ไม่ได้นะมันผูกย่ำย่อมันงั้นเถอะแต่แก้ยากดูก่อนพี่สุทั้งหลายสุนักที่เขาล่ามเชือกแล้วถูกร่มไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้ามันจะวิ่งซ้ายมันก็วิ่งวนหลักหรือเสานั้นถ้าจะยืนซ้ายก็ยืนชิดหลักหรือเสานั้นนั่นเอง ถ้าจะนอนซ้ายก็นอนชิดหลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดดูการพิสูจน์ทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันว่านั่นนั่นของเรานะ นั่นเรานะนั่นอัตตาของเรานะมันคิดอยู่สามอย่างแค่นั้นเองนะแต่ถ้าโดยโวหารเนี่ยถ้าตามโวหารเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรพ้นจากคําว่าเราสักคำหนึ่งเลยใช่ไหมมันเกี่ยวข้องด้วยคําว่าเราตลอดเลยพันพันอยู่ในขันห้าตลอดนะไม่พันก็ขันใดก็ขันหนึ่งก็พันอยู่นั่นแหละทั้งผูกทั้งมัดเพราะฉะนั้นคิดยังไงก็คิดวนอยู่ในขันห้านั่นไม่มีคิดพ้นขันห้า สูตรก่อนนี้แสดงส ก, กายะทิฐิยีสนะสูตรนี้แสดงโดยว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราคือยกตัณหาทิฐิและมานะเยนะตัณหามานะทิฐิทีทท่มีในขันหะถ้าคิดดูว่ามีโดยเฉพาะอุปาทานขันหะภายในตัวเนี่ยนะมีไหมที่พ้นจากตัณหาพ้นจากมานะและก็พ้นจากทิฐิซึ่งน้อยมาก ที่จะพ้นจากความยึดถืออันนี้เพราะความที่สำคัญว่าขันห้าเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยถ้าหากแม้เขาจะเดินไปไซส์เขาก็เดินไปใกล้ปัดจุ ป, ปาทา น, นขันนั่นแหละคือเดินก็เดินวนอยู่ในอุ ป, ปาทานขันห้าถ้าหากว่าจะยืนไซส์ก็จะยืนติดกับอุปาทานขันห้า ถ้าจะนั่งไซส์ก็นั่งติด ก, กับอุปาทานขันห้าเนี่ยนะตัวเดียวกันใช่ไหมคะตัวเดียวกันนี่หมายคำว่าไง ป, าปัญจะบวกอุปาทานขันเรียกว่าปัจจุปัญจุปาทานขันก็แปลเป็นไทยไทยเราว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยนะถ้าแปลบริบูรณ์บอกว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นมีอยู่าประการเนีย่ยนะ ไอ้ปัจจุปาทานาคขันเนี่ยนะก็ปัญจะบวกอุกปาทานบวกขันเรียกว่ากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือห้าประการมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันต่างไปโดยอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้เนี่ยนะุชนนี้ เดินยืนนั่งนอนก็ชี้ติดอยู Or, ่ในขันห่านะไม่มีใครออกนอกขันห่าเลยสักคนเดียวนะครับไม่มีใครหลุดขันห่าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแหลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพิพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆอย่างนี้ว่าจิตเศร้ามองเพราะราคะโทสะโมหะมาแล้วตลอดกาลนานคือเมื่อเกี่ยวข้องกับขันห่านะก็เกี่ยวข้องด้วยจิตที่เศร้ามองใช่ไหม เศร้ามองด้วยราคะบ้างเศร้ามองด้วยโทสะบ้างเศร้ามองด้วยโมหะไม่มีขันไหนที่ไม่เศร้าหมองว่างั้นไม่เข้าไปเศร้ามองในขันนั้นนั้นไอตัวที่เศร้ามองก็จิตนั่นแหละไม่มีใครหรอกแต่ว่าเมื่อจิตมันเกิดขึ้นก็เศร้ามองเมื่อรับอารมณ์ก็เศร้ามองเนี่ยนะแม้แต่กุศลจิตเกิดพอกุศลหลังจากกุศลเกิดกุศลหมดไปใจก็เศร้ามองต่ออเนี่ยก็เต็มไปด้วยความเศร้ามอง นั่นก็กุศลก็เกิดน้อยมากนะนนเกิดเป็นพักๆแบบนั้นเถอะหลังจากนั้นก็เป็นภารกิจของอวิชชาตันหาเอ่อเศร้ามองเนี่ยนะเนื่องจากว่าใช้คาําว่าเศร้าหมองใครเคยเห็นยอดไม้ที่มันถูกไฟเผาไหมยอดไม้ที่มันถูกไฟลนเนี่ยนะมันจะเช่าฉันได้จิตที่ถูกไฟคือราคะโทสะโมหะมันก็ทําให้มันเศร้าแบบนั้นแหละจิตมีอยู่แต่จิตนั้นไม่ไม่ผ่องใสอะไรเลยเห็นไหม ถันอย่างมนุษย์ทั้งหลายจะจะหลังจากที่กิเลสมันเกิดมากะนะต้องไปซ่องเสพผวังขจิตก่อนให้ให้มันให้มันหายเศร้าหมองบ้างะนะเพราะผวังขจิตผ่องใสนะเพราะเป็นมหาวิบากเนีย่ยนะถ้าใครที่ผวังขจิตเกิดสืบเนื่องนานๆคนนั้นจะสดชื่นค่อนข้างมากถ้าถ้าไม่ใช่หลับแบบหลับห ล, ลับไม่ฝันนะไม่ใช่หลับแบบชวนะเกิดสับนะถ้าหลับสนิทจริงๆเลยเนี่ย เขาจะค่อนข้างผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวังคจิตของเขาเนี่ยมันเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองอพราั้นการพักผ่อนนี่นับว่าจําเป็นใช่ไหมจะได้มันจะได้ผ่องใสขึ้นเพราะว่าจิตที่เป็นตัวรักษาที่เรียกว่ารักษาภพชาติจิตอันนี้ผ่องใสได้มาเก่งนั่นเองมาหากุศลเหล่านั้นคือ ในบรรดาจิตที่ที่เป็นตัดใจเนี่ยนะอย่างชาวนะดวงที่7ดก็นําเกิดได้ดวงที่สองถึงดวงที่6ก็นําเกิดได้ทีนี้ในวัตตะอันยาวนานเนี่ยนะก็เฉพาะชาติที่แล้วก็ดวงที่7ดถ้าจะนําเกิดนะแล้วก็ดวงที่สองถึงดวงที่6ของถอยยหลังแต่ตัวนั้นอ่ะมานําเกิดทีนี้มานําเกิดเนี่ยอยู่ในกาลคติเอ่อกาละและคติที่ที่อย่างลักษณะนี้ก็จะดํารงอยู่ชีวิตอย่าง มันก็จะรักษาไว้ถ้าดูตามอัตกถาทีนะ่ลองดูอัตกถาหน้า400อาขอไป347ดูก่อนนะย่อหน้าสุดท้ายว่าบทว่ารัชโกได้แก่ช่างที่เขียนรูปด้วยสีลงในวัตถุทั้งหลายก็ช่างนั้นถ้าไม่ฉลาดก็จะเขียนรูปได้ไม่น่าพอใจแต่ถ้าฉลาดก็เขียนรูปได้น่าพอใจ สวยน่าดูฉันใดปุตุชนก็เป็นอย่างนั้นแหละคือย่อมยังรูปที่ผิดปกติอันเว้นจากคุณสมบัติมีความถึงพร้อมด้วยจกักรโสเป็นต้นให้เกิดด้วยอกุศลจิตหรือด้วยกุศลจิตที่เป็นยาณวิปปยุตยังรูปที่สวยงามอันถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติมีความถึงพร้อมด้วยจกักรโสเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยกุศลจิตที่ยาณสัมปยุตถ้าาสังเกตจากพยัญชนะนี้โดยมากคนที่อวัยวะสมบูรณ์มีคุณสมบัติพร้อม โดยมากเป็นญานนะสัมปยุตเนี่ยนะถ้าสังเกตจากพยัญชนะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อเลยว่าถ้ายานวิปทยุตไม่จะไม่มานั่งฟังแบบนี้เนะว่าให้ตรงเลยนะที่ถ้าเป็นญาณวิปทยุตจ์จริงๆแล้วอ่ะจะไม่อยู่ในฐานะระดับนี้ด้วยถ้ายานวิทยุตเนี่ยเท่าที่ดูสังเกตดูหลายๆแห่งก็คือพวกที่อยู่ในอินเดียที่เป็นวันนะต่ำๆทั้งหลายและนะั่นน่ะลักษณะที่มันชัดๆของยาณวิปทยุตนําเกิดเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็นพวกปัญญาอ่อนนิ่มไปเลยใช้งานไม่ได้อันนั้นคือพวกอหติตกะปฏิสนธิเว้นไว้แต่ว่าในในด้านสรีระนะเว้นไม้แต่ผิดปกติด้านสรีระเพราะว่าถ้าผิดปกติด้านสรีระนิจิตก็แย่เหมือนกันสูตรนี้ถ้าจะให้ให้ข้อสังเกตเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าให้ตั้งข้อสังเกตหลังจากที่พระองค์ตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็คือพวกเราอ่ะนะยืนเดินนั่งนอนนี่ก็ติดอยู่ในขันท่านี่แหละให้พิจารณาจิตของต น, นงเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะราคะโทศโมหะนี้มาแล้วตลอดกาลนานทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าจิตเศร้าหมองเพราะราคะนี้คือจิตเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ใช่ไหมจิตใดที่เข้าไปชื่นชมไปเพลิดเพลินในอารมณ์จิตนั้นเรียกว่าเศร้าหมองด้วยราคะ จิตที่เข้าไปไม่ชอบในอารมณ์ไปขัดกับอารมณ์นั้นน ะ, ะเหมือนกับอย่างอย่างสมมติถ้าผิวของเรานะถ้ารูปแล้วมันไม่มีมันรูปแล้วมันเลื่อนไปเลยนะสบายไม่มีอะไรอันนั้นอนะสุขเวทนาถ้ารูปไปแล้วมันขัดนิดๆ น, น, น, นะนะจนถึงกับขัดมากเป็นแผลอะไรเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมจิตก็เหมือนกันนะถ้ารับอารมณ์อะไรแล้วมันสดชื่นไปตลอดเลยโดยมากเป็นโลภะ แต่ถ้าคิดอันโน่นอันนั้นก็ขัดอันนี้ก็คล่องอันนั้นก็วุ่นอันนี้ก็ไว้อันนี้โทสะเป็นเป็นส่วนใหญ่นนะแต่ว่าคิดอะไรไม่ลงตัวเลยนะความคิดที่ไม่ลงตัวอันนั้นแหละโดยมาเป็นโทสะทั้งโลภอารมณ์ทั้งหลายแล่เหล่านั้นก็ไม่ได้แทงตลอดด้วยอริยสัจอยู่ดีอ่างนั้นแทะไม่ได้มีความรู้ถึงปัจจัยไม่รู้เหตุเกิดความดับอสาศทะอาทีนว่านิสรณะของอารมณ์เหล่านั้นเลย เมื่อไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าโมหะเนี่ยถ้าอย่างผู้ให้ตรงอย่างของมานั่งอยู่ตรงนี้นะเห็นยอมทั้งหลายเนี่ยก็ด้วยโดยมากด้วยอํานาจโมหะเว้นขณะที่กุศลจิตเกิดเสียถามว่มาทำไมจึงว่าด้วยมากมากด้วยอํานาจโมหะเพราะมาหนึ่งพิจารณาเหตุเกิดนี่ก็อ่อนสองพิจารณาโดยความดับก็อ่อนเนี่ยนะพิจารณาถึงว่าอัศทะเป็นยังไงก็อันนี้ก็มีบ้าง พี่เรณาอาทีนวะก็มีบ้างแต่ว่าไม่มากนะักนะนะคือไม่มากพอที่จะเบื่อหน่ายจริงๆเหมือนกันเถอะนะแล้วก็นิสสรณะนะัธรรมะที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เห็นแทงตลอดจริงเพราะฉะนั้นนี่คือโมหะนะนะเมื่อวานยังคุยกับผู้การเลยบอกนี่ก็คือความผิดชนิดหนึ่งถ้าพูดแบบภาษาธรรมะนะนี่ก็คือว่าเป็นความผิดของเราชนิดหนึ่งที่เราไม่ทํากิจอันนี้เมื่อไม่ทําถามว่าจะเสียใจในภายหลังไหมเสียใจในภายหลังแน่นอน เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำกิจเหล่านั้นให้บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะถือว่าเป็นความประมาทใช่ไหมอัน น, นสรุปทวนีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเพลิดเพลินเป็นโลภะราคะเนี่ยนะถ้ารังเกียจเป็นโทสะอารมณ์ทั้งที่หน้าเพลิดเพลินทั้งที่รังเกียจนั้นนะ่ะถ้าไม่พิจารณาโดยเหตุเกิดความดับอัศธ า, าอาทีนวะนิสระณะนั่นถือความโง่ความความผิดความพลาดเลยนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจในภายหลังแน่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเศร้ามองอย่างหนึ่งที่กล่าวว่าเศร้ามองเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเปรียบกับคนที่เข้าบริสุทธิ์จริงๆอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีความเศร้ามองเหล่านี้อยู่เลยอันนี้คือเราเอาไปเปรียบกับคนสูงสุดนะนะพันอย่างในคำสอนที่เราศึกษากันอยู่เนี่ย ผู้ที่สอนคําสอนเหล่านี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์จาก อ, อากุศลหรือไม่มีอารมณ์อะไรที่ท่านทำให้ท่านเกิดราคะโทสะโมหะแม้แต่หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์แสดงธรรมก็จะแสดงเอาพระองค์นี้เป็นเป็นมาตรฐานในความเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นก็จะสอนผู้อื่นเพื่อความบริสุทธิ์เช่นนั้นบ้าง นะเพราะฉะนั้นให้ระลึกถึงเสมอว่าอย่างหนึ่งว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยสอนเพื่อให้คนได้บริสุทธิ์เช่นกับพระองค์บ้างะนะได้บ้างนะไม่ใช่ทําได้ทุกคน น, นะก็อย่าลืมว่าโปรโ ด, ดได้เฉพาะเวนยะเวไนน์แปลว่าผู้ที่พอฝึกได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําสอนกับคนที่พอฝึกได้ก็ช่วยได้บ้างนั่นะนะสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ เศ้ามองนะจิตตะสังกิเลเจิตตสังกิเลสาหน้า4ี่ออนะดูอัตถกาาตัสมาความว่าเพราะเหตุที่พาละปุตุชนผู้ติดอยู่ในวัตตะผู้อาศัยโซ่ตรวนคือทิฐิถูกผูกไว้ที่เสาคือสกายะด้วยเชือกคือตันหาอาศัยขันธปัญจกะเป็นไปอยู่ในอิริยาบททั้งปวงแว่า ไม่ไม่มีว่างเว้นจากการเพลิดเพลินด้วยอำนาจตันหามานะในอุปาทานขันห้าเลยในอิริยาบถสี่นะยนถ้ามองในแง่นี้ก็พวกเราก็น่าการุนากันมากนกันนะเออน่าการุณาผูกมัดอยู่ตลอดเลยแต่ว่าไม่รู้สึ ก, ก น, นะสบายมากเหมือกันนะอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่จิตนี้เศร้ามองเพราะราคะโทสะโมหะมานานแล้ว บทว่าจิตตะสังกิเลสาความว่าก็จิตสัตว์ทั้งหลายแม้อาบน้ำก็ดี อ, อ่ขอไปก็สัตว์ทั้งหลายแม้อาบน้ำดีแล้วก็ชื่อว่าเศร้าหมองเพราะจิตเศร้ามองนั่นแลแต่ว่าแม้ร่างกายจะส ก, กระปรกก็ชื่อว่าผ่องแผ้วเพราะได้จิตผ่องแผ้วอันนี้ให้นึกถึงพระโมคคราชสมัยพุ้การมีพระรูปหนึ่งบอกว่าเอตทะขะในด้านความเศร้าหมอ ง, องนะนะ เป็นเลิศในทางเศร้ามองจีวรของท่านนั้นเป็นจีวรที่เราก็มีค่าน้อยมากป ะ, ปะปะผู้ผู้เนี่ยนะคือคือมเป็นผ้าเก่าๆที่แทบจะว่าปะผู้ใช้อะ่ะแล้วเนื้อตัวท่านเต็มไปด้วยหิตหมดเลยไไแล้วท่านชอบไปนั่งอยู่ในหมกฟางเนนะนั่งอยู่ในกองฟางฟางอินเดียเห็นชัดนะนั่งกองฟางบางทีก็ฟางอันนั้นก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำเนียนะาก็นั่งอยู่อย่อยางั้นะ พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านผู้มีกายอันเศร้ามองแต่จิตไม่เศร้ามองนี่นะไอ้ท่านนั่งเนีน่ยเป็นหิดเป็นตุมท่านไม่ได้มานั่งเกานั่งคันอะไรหรอกท่านนั่งเข้าพระสมาบัติอ่ะนะอันนั้นสำนวนว่านั่นผ้ากิริว้วหอมาหาเพชรเมร็ดเม็ดใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เพชรเม็ดเล็กน้อยอะ่ะเม็ดที่หาค่าไม่ได้แบบนั้นเถอะแต่ว่าใช้ผ้าผุผุใช้อะไรเนี่ยมาหุ้มอยู่ตรงงานข้ามงานงาน โรงศพทั้งหลายเลย้เ น, นี่ยนะข้างนอกหูใช้ไฟระยิบระยับไปหมดเลยนะเข้าไปข้างในดูไม่ได้เลยนะอันนี้ของท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามหมดนะเนียเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเวลากลับไปมันจะมีงานศพอยู่ข้างๆโอ้โหติดไฟยังก็ยังก็ว่าใครก็อยากไปนอนอยู่บนนั้นเลยว่างั้นนั่งน่าดูมากอ น, นะแต่จริงก็ไม่ใช่ โบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านเรียบเรียงเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มิได้ตรัสไว้ว่าคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเมื่อรูปเศร้ามองสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าเศร้ามองเมื่อรูปบริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความเศร้ามองไม่ได้เอารูปประคันเป็น เ, เป็นเ ป, เ, ปเป็นเกณฑ์เป็นปริมาณเป็นมาตรฐานอะไรกันเถอะ แต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าเศร้าหมองเมื่อจิตบริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าบริสุทธิ์คือเอาจิตเป็นประมาณเนยะเอาจิตเป็นประมาณจิตนี้เศร้าหมองเพราะอะไรนะทักในครั้งเศร้าหมองเพราะราคะเศร้าหมองเพราะโทสะเศร้าหมองเพราะโมหะถ้าผู้ราคะนะทิฏฐิมานะ เป็นต้นเท่ากับพูดแล้วถ้าพูดโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะกับพูดแล้วถ้าพูดโมหะอกุศลทุกชนิดเท่ากับแสดงหมดแล้วนะพระก็ยกแต่เหตุตุปจโยที่เป็นอกุศลละเหตุก็พอเนี่ย น, นะพระผู้มีพระภาคเจ้าผููสแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มีผู้สงสัยก็ถามว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ายังหาคุณอะไรอยู่อีกหรือเนี่ย น, นะถ้าใช้ศั์นี้นะพระพุทธเจ้าสแสวงหาคุณอะไร คุณมุญชูเปยพิจารณญพะุทธคุณมากน ะ, ะพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะสแสวงหาอะไรยังตอบไม่ได้นะอายุพินยังไงก็รักษาหน้ากันไว้มัางเนอะ <c oughs> อ๋อพระผากรุณาหาบริสุทธิ์หาปัญญามอยุพินว่างนันนะแล้วคุณอริยพระพุทธเจ้าสแสวงหาอะไรหาคุณไหนนะอ๋อแสวงหาอริยสัจสีอ้าวพระองค์เห็นแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนยังใช้คําว่าผู้สแสวงหาพระคุณนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยนะอ๋อพระพุทธเจ้าสแสวงหาศีล นะนะแสวงหากองแห่งศีลแสวงหากองแห่งสมาธิแสวงหากองแห่งปัญญาแสวงหากองแห่งวิมุตติห่งวิมุตติยาณทัทสนะแสวงหาสติปทานแสวงหาสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชงอริยมัตมีองค์8แสวงหามรรคผลอภิญญาเหล่านี้ที่นี้ตอนแรกเลยเนี่ยพระองค์แสวงหาเพื่อให้เกิดในพระองค์เองก่อนก็เรียกว่าแสวงหาใช่ไหม ถ้าพระองค์ตอนพระองค์แสวงหาเพื่อพระองค์เองเรียกว่าพระโพธิสัตว์แต่หลังจากนั้นน่ะพระองค์แสวงหาคุณเหล่านี้เพื่อให้มีในสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมคือคือสแสวงหาเช่นว่าพระองค์แสดงธรรมที่ไหนให้คนเหล่านี้จะได้กองแห่งศีลไหมจะได้รับกองแห่งสมาธิจะได้รับกองแห่งปัญญาจะได้รับกองแห่งวิมุตติวิมุตติญาณนะทัศนนะเพระงงาะฉะนั้นจะเรียกว่าพระองค์เป็นผู้สแสวงหาคุณเหล่านี้ก็ได้ แต่ว่าไม่ใช่สแสวงหาเพื่อพระองค์เองใช่ไหมในตอนในตอนตอนที่เป็นพระพุทธเจ้ า, าแล้วไม่ได้สแสวงหาเพื่อพระองค์เองแต่สแสวงหาให้คุณเหล่านี้มีอยู่ในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทวนอีกครั้งหนึ่งนะกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญากองแห่งมิมุติกองแห่งมิมุมมติยา น, นุทัศนะ กองแห่งสติประธานสมรภู ม, มประธานอิทธิบาทอินทรพะละโพชงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือสแสวงหามรรคผลอภิญญานิพพานเนี่ยนะก็สแสวงหาคุณธรรมเหล่านี้เพื่อให้เกิดขึ้นในสัรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้หรืออีกในหนึ่งก็เนื่องจากพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็ได้ชื่อตามที่สาะแสวงหาก็ได้ถึงได้แล้วก็ยังเรียกว่าผู้สแสวงหาอยู่ดีเนี่ยนะ นั้นพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่และคุณเหล่านั้นพระองค์ก็ประสบแล้วนะคือศีลใช้ว่าคุณกองแห่งศีลขันเนี่ยนะศีลเนี่ยมีมา ก, ก น, นะเยอะมากเรียกว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเป็นต้นเนี่ยเพราะว่าเยอะ <c oughs> ทีนี้ต่อไปน ะ, ะจิตเศ้ามองเพราะ โลภาโทสะโมหะเนี่ยมานานแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจะผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นไหมจิตที่เชื่อว่าจรณะจรณะคือหมายถึงภาพจิตกรรมเนี่ยนะพิสูจนทั้งหลายก็กราบทูลมาเห็นพระเจ้าค่ะแสดงว่ามีมีภาพประกอบตอนที่พระพุทธเจ้าเทศน์สูตรนี้นะี่ คือชี้ให้ดูภาพจิตกรรมเยนะดูภาพทั้งหลายเลยเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจิตจารณะจิตคือภาพจิตกรรมเนี่ยนะคือผลงานของจิตเนี่ยพวกจิตกรรมศริลปกรรมทั้งหลายพวกนั้นนะแม้นั่นแหลก็จิตนั่นนั่นแหละคิดแล้วเนี่ยนะคือลวดลายต่างๆเนี่ยนะจิตใช่ไ้ยคิดขึ้นน ะ, นะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจิตนั่นเองยังวิจิตกว่า จรณะจิตคือจิตตกรรมแม้เหล่านั้นเนี่ยนะผลงานที่ออกมาในโลกนะเราว่ามันวิจิตมากใช่ไหมแต่ว่าไอตัวความคิดของสัตว์มันวิจิตกว่านั้นเยอะเนี่ยนะแล้วจิตก็คือความคิดใช่ไหะนั้นตัวความคิดเนี่ยมันวิจิตมากนี่ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายนะคิดอะไรแล้วทําได้หมดนี่สงสัยโลกนี้วุ่นวายแน่เลยนะเพราะว่าโดยมากมันคิดได้แต่ทําไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมในหนึ่งคนนะเอาคนเดียวเนี่ยโอ้คิดอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลย แต่ว่าที่ทําได้จริงๆอันหน่อยเดียวถ้าทุกคนทุกคนทําได้อย่างจิตคิดหมดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหความคิดนี่สุดยอดของมหาวิจิตเลยแบบนั้นเถอะวิจิตจริงๆเพราะฉะนั้นแลภิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนือ ง, เนองอย่างนี้ว่าจิตนี้เศร้ามองเพราะราคะโทสะโมหะมานานแล้วเ น, นี่ยเศร้ามองเหลือเกินจิตนี่ ก็กวันไหนที่กุศลเจริญหน่อยนะวันนั้นค่อยผ่องใสหน่อยนะวันที่เหลือนี่มันเศร้าตลอดเลยคนที่เจริญกุศลเช่นเจริญสมถะเจริญวิปัสนาหรือกุศ ล, ลจิตที่เกิดยาวๆหน่อยนะจะรู้ตัวว่าเวลาอื่นจากนั้นนี่เศร้าหมองซะโดยมากก็ต้องเอาคนที่กุศ ล, ลจิตเกิดมากๆนะเอาตัวของเขาอะเป็นเครื่องวัดนะนะว่าช่วงไหนกุศลเขาเกิดมากช่วงนั้นเขาผ่องใสหลังจากนั้นนี่เศร้ามองตลอดเลย ก็จะวัดได้แต่ไม่ใช่เกิดมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันป่วยมาตลอดลนะเลยไม่ทันรู้ไอ้หายป่วยนี่มันเป็นยังไงนะแต่คนที่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ทำจิตให้เป็นกุศลไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาโดยมากก็กเศร้าหมองอยู่ตลอดอยู่แล้วจากเปลี่ยนคนในโลกเปลี่ยนนิวร์เช่เฉยนะไม่ได้ว่าแก่ น, นิวรณ์ อ, อะไรเช่นไปพักผ่อนคลายเครียดเนะี่ยนะไปเที่ยวทะเลซะจะได้คลายเครียด เปลี่ยนจากโทสะที่ทํางานไปเจริญกโกรธาที่ทะเลอย่างเงี้ย น, นะ ก, ก็เพียงเปลี่ยนนิวรณ์เท่านั้นเองแต่ว่าผู้ที่เจริญกุศลเนี่ยเขาระงับนิวรณ์นั น, นะถ้าทานหรือศีลก็เป็นต่ทางคะวิปัสสนาก็เป็นตทางคะถ้าเจริญสมุทัก็เป็นวิขัมภนะอนันคคมหรือว่าละจริงๆแต่ก็ละชั่วคราวเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็นสัตว์ปกติธรรมดาทั่วไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนนิวรณ์มันเครียดมากใช่ไหมเปิดเพลงฟังก็ได้สบายใจจริงได้สบายอะไรขึ้นหรอกเพียงกับว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่คันเท่านั้นแหละนะเปลี่ยนวิธีเกาหน่อยแค่นั้นแหละดูกรรพรสุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้ามองเพราะจิตเศร้ามองจะพองแผ้วเพราะจิตพองแผ้วดูก่อนรพรสุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นสัตว์ อื่นแม้เหล่าเดียวที่จะวิจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้นะพิษุทั้งหลายเนี่ยนะถ้าโลกของเดรัจฉานนี้วิจิตมากฟาร์มผีเสื้อใช่ไหมวิจิตใช่ไหมพวกผีเสื้อพวกงูเนี่ยนะพวกสัตว์อย่างอื่นพวกนกเนี่ยนะโอ้มีคนส่องนกดูนกได้ทั้งวันน่ะไมรู้ดูได้ยังไงเนีงงเลยนะเหล่านี้นึกไม่ออกดูได้ยังไงมันดูได้ทั้งวันน่ะ นั่งโหแล้วนั่งนิ่งเลยนะไม่ขยับด้วยถ้าขยับเดี๋ยวนกมันจะบินหนีอยู่นั่นแหละส่องโกลมกลมเงยเเงยโกลมโกลมส่องแล้วก็ดูอยู่นั่นแหละโอยพอคนส่องพระเครื่องนั่นแหะส่องได้ทั้งวันเหมือนกันเนี่ยนะนั่นก็แปลกนะว่าเออวิตส่องได้ขนาดนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะย้อนมหาเดรัจฉานเนี่ยตัวเดรัจฉานเนี่ยวิจิตมากนะแต่ละตัวเนี่ยเช่นเท้านะเห็นสัตว์บางตัวเท้าทําไมมันเยอะขนาดนั้นกันมะ บางตัวนี่ขนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเหลือแต่ต้องลูกตาไว้หน่อยเดียวเนี่ยโลกของเดรชานเนี่วิจิตมากแต่ว่าไม่ต้องไปเที่ยวแถวนั้นนะ <c oughs> เล่าให้ฟังว่ามันวิจิต <c oughs> ดูกานพิสูจนทั้งหลายสัตว์เดรชาแมเหล่านั้นวิจิตแล้วเพราะจิตนั่นเองเนี่ยนะจริงๆแล้วตัวสัตว์เดรชาเ น, นี่มันมันวิจิตเนี่ยเพราะกำเนิดมันวิจิตกาเนิดวิจิตนี่เพราะกรรมวิจิต ที่กรรมมันวิจิตอย่างนั้นก็เพราะจิตนั่นแหละมันวิจิตมันจึงทำกรรมวิจิตเนี่ยนะแต่ก็พูดรวมย่อว่าสัตว์เดรัชานที่วิจิตนี้เพราะจิตนั่นแหละมันทำให้วิจิตแบบนั้นแต่ว่าถ้าเทียบถึงความคิดแล้วมันวิจิตกว่าเดรัชานอีกเยอะวิจิตกว่ารูปเยอะมากเลยนะจิตเพราะว่าอารมณ์วิจิตเพราะทวารวิจิตเพราะสัมพยุตธรรมมันวิจิตเนี่ยนะ ลองดูหน้าสี346อัตถกถาบอกว่าบทว่าจิตตันเยวะจิตตตรังความว่าจิตที่แสวงหาอุบายของจิตนั้นน่ะวิจิตกว่าจิตที่ชื่อจารณะแม่นั้นอันนี้พูดถึงย้อนไปที่พวกนักวาดนักเขียนทั้งหลายแหลนะไอความคิดที่สร้างลวดลายทั้งหลายนะ่ะวิจิตกว่าที่เขียนออกมาเยอะที่เขียนออกมานี่ไม่ได้เท่าไอความคิดหรอกจริงมันคิดได้มากกว่านั้นนะแต่ว่ามันทําได้ไม่เท่ากับที่คิด